ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธาชนทั้งหลายเนื่องจากวันนี้เป็นวันใกล้วันวิสาขบาูชาซึ่งจะมีในวันที่สี่มิถุนายนนี้ทางคณะพุทธบริษัททั้งฝ่ายเครือนและบรรพชิตได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น าปริมณฑลท้องสนามหลวงอย่างที่เคยปฏิบัติมาหลายปีแล้ววันนี้ในภาคบ่ายคือสามโมงก็จะมีขบวนอัญเชิญพระบรมส า, าริกธาตุจากพระบ ร, ระศระีรัตนศาสสราดา ร, า ร, า ร, า ร, ารมาปฏิสฐานที่ปริมณฑลท้องสนามหลวงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพุทากัน เป็นปรารถนาที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าวันวิสาขบูชานั้นเราประลบวันประสูติ ส, สรุและพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่ตรงกันในจริงก็ห่างกันวันประสูตก็ห่างจากวัน ส, สรุถึงสาสิบห้าปี วันสืรู้ห่างจากวันปณิพานถึง45ปีแวันประสูติทางวันวันปณิพาน์ถึง80ปีก็เป็นเรื่องของจักรราศรีที่มันลงอย่างนั้นจริงๆคือทรงตามนั้นจริงๆก็มีค น, คนก็คล้องใจสงสัยกันเหมือนกันก็คําคนวณดูสักการะขึ้นไปเรื่อยๆตามชาโหศาสตร์และปรากฏว่า ไปลงที่วันเพ็ญอย่างนั้นอแนนี่ยิงตัววันเนี่ยไม่มสำคัญอะไรเท่าไรเพราะแต่ละเดือนมันก็ต้องมีวันเพ็ญจนได้ปีหนึ่งก็มีวันเพ็ญสิบสองสิบสองครั้งแต่ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญ น, นั่นคือการประูตมการรู้และการสถิติผ่านของพระพุทธเจ้า ตำแหน่งพระพุตธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งที่สาธารณะทั่วไปแก่คนดีทั้งหลายหมายความเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนสามารถใช้ความเพียรพยายามของตัวเองผ่านขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆมาโดยลำดับถึงจุดเด่งก็เป็นพระพุตธเจ้าได้แต่ถ้าเรามองภาพแล้วนั่นก็เหมือนกับเรื่องอื่นอ แม้ความสำเร็จในการศึกษาเรียนก็ดีความสำเร็จในการประกอบอาชีพก็ดีความสาเร็จในการปฏิบัติธรรมก็ดีรอวอใจชนะในการแข่งขันก็ดีจี่จงๆก็เปิดโอกาสให้คนทุกคนใครต้องการจะไปในทางใดมันก็สามารถจะไปได้แต่ที่ไปไม่ได้เป็นความจำกัดที่ตัวของคนนั่นเอง แต่เราก็ต้องการประสบความสําเร็จในการศึกษาเอาก็จริงเราก็ไปไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้วความสำเร็จในการปฏิบัติแล้วก็อีกแหละคือทุกคนต้องการผลสําเร็จจากการปฏิบัติแต่ก็จริงมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่มันก็ไปไม่ได้ภาพมันก็เหมือนกับคนวิ่งแข่งมาราธอนก็ลงเต็มถนนแต่วิ่งไปวิ่งไปคนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง ถึงจุดหมายประยทางคุณแรกก็เพียงคนเดียวแต่นั้นเด็กการเป็นพระเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นคนก็ต้องการเป็นกันแยะแต่ก็จริงแล้วมันเงื่อนไขขั้นตอนการเวลากว่า จ, จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็สาหัสสา ก, กันบางคนก็เกิดท้อถอยลงไปโดยลําดับบางคนก็อาจจะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าวไว้ในตอนต้ น, ตน ต่อมาก็คลายลงคลายลงก็เป็นพระพกัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าทำอริญาณหนึง่งก็คลายลงก็ขอเป็นพระหันเอา้าก็จริงก็ไปไม่ได้อีกก็ขอเกิดเป็นคนก็พอแล้วมันก็เหลือแค่นั้นแสดงว่ามันเงื่อนไขนี่มันมันมันมันมากกันนะกว่าจะเป็นได้ใ่ส่วนมากเราไปมองที่ตอนผลเราไปมองถึงเบื้องหลัง ที่ความริษยาความแข่งดีความอะไรขีเดเวียนกันแต่บคนนี่ก็ประสบความสําเร็จในด้านาศาสนาก็ดีนด้านก า, าเรียนกันดีหรือด้านการธุรกิจต่างๆก็ดีนั่นนะถ้าเรามองถึงเบื้องหลังก็จริงๆว่าจะมีวันนี้มันก็มีวันก่อนเยอะแยะหมดมีความทุกข์ทรมานความต่อสู้กับอุปสรรคขัดขวางอันตรายต่างๆถูกเบียดเบียน วีบคันโดยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาได้นะครับแต่ถ้าเรามองเขาแล้วเราจะมองด้วยความชื่นชมคือถ้าเรามองเบื้องหลังด้วยเนี่ยเราจะมองด้วยความชื่นชมในกรณีที่เขาผ่านมาด้วยความดีนะฮะประการมองพระพุทธเจ้าที่เพิ่มเพิ่มสตางา์ประสาทธาเนี่ยคือบางครั้งบางครั้งเราไม่ได้มองที่ปัจจุบัน แต่เรามองย้อนอดีตแล้วก็ย้อนไปไกลๆอย่างผู้ชาดกทั้งหลายนะครที่เราเรียนมาเราเห็นมาเราก็พูดถึงเรื่องอดีตการบําเพ็ญบารมีของพระองค์ที่สู้ข่าขันอุปสรรคอันตรายตา่างๆเวทว่ายตาเกิดในสังสารวัฏสร้างเก็บสะสมกันมาทีนัทีละ น, น้อยแล้วก็แต่ละชาตินั้นก็พยายามทําความดีเท่าที่กําลังก็าสามารถจะกระทำได้เราเปิดสถานเริ่มใสในชาตดก เฉยใ น, นบุคลิกภาพเ่านั้นแต่ผลรวมจากชาดกหลายๆชาดกนะมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่ทำให้ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะสมาทานคือการรวมลงแห่งคุณสมบัติหลักก็แปดประการด้วยกันเพราะการเป็นพระโพธิสัตว์มันก็มีอยู่สองตอน ตอนแรกนั้นก็เรียกว่าอนนี้ยตาคือไม่แน่ไม่แน่วจะได้เป็นหรือไม่ได้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นในช่วงนี้อย่างที่บอกแหะคนยเยอะแยะไปหมดเลยอย่าวมหาญาเนี่ยก็ไปปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์กันต้องการพุทธภูมิปรารถนาพุทธภูมิก็ต้องการควาเป็นเรียกว่าโพธิสัตว์วัตรบารมีกันทั้งนั้นแต่ว่าจริงเมื่อปล่อยได้ไม่อด ตัวนี้ท่านยังเรียกว่าไม่แน่ว่าจะไปได้หรือไปไม่ได้ในช่วงที่สองนั้นท่านเรียกว่านิยตะคือแน่นอนว่าต้องได้เป็นแต่ว่าเป็นการรับประกันไว้ในเบื้องต้นว่าท่านได้เป็นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องผ่านการเวลาอีกอย่า ง, งฐานตรงนี้ท่านเรียกว่าธรรมสมุทฐาน ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็สมบูรณ์สมัยที่เป็นสมเมตตาบทที่เคยเลา่าเรื่องสมเมตตาบทไว้แต่วันนี้เราจะพูดเฉพาะส่วนของธรรมสมุทฐานคือในชาตินั้นน่ยท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบแปดประการนะกันประการแรกก็เรียกว่ามนุษย์สมบัติคือการได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ ที่นีว่ามนุษย์นั้นมันก็สมบัติก็คือสมบูรณ์นะ่ะนะฮะสมบัติแปลว่าถึงพร้อมคือหมายความว่าไม่มีความบกพร่องในความเป็นเหล่านั้นเราจึงเรียกบางทีเราเรียกว่าคุณสมบัติถึงหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยคุณคุณธรรมข้อนั้นๆบางทีเราเรียกว่าสัมปทาแต่แปลว่าสมบูรณ์คือถึงพร้อมหมายความว่า การเป็นมนุษย์ของท่านนั้นจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจตีส่วนร่างกายเนี่ยหมายความว่าไม่มีคนพิการไม่บอดไม่หนวกไม่ใบอะไรต่ออะไรพวกบุรุษโทษทั้งหลายเนี่ยมันเยอะแยก็แสดงว่าคนเหล่านั้นที่จริงก็เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่สมบูรณ์ท่านจึงเรียกไม่สมบัติและบางทีก็วิบัติเรียกวัตถุวิบัติหมายความว่า มีความพิกลพิการมีความบกพร่องตาบอดหูหนวกอะไรเนี่ยคนประเภทนี้บวชก็ยังไม่ได้เลยนะจจะบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นมนุษย์แต่เ็าไม่สมบูรณ์ในส่วนจิตใจนะั้นเป็นเรื่องใหญ่มากคือบางทีในส่วนร่างกายอาจจะสวยงามเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยมันไม่มีฐาน ไม่มีฐานในการกระทำความดีมันทำยังไงถึงจะให้เกิดเป็นฐานขึ้นหมายความเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงจิตใจในทางพุทธศาสนานั้นท่านได้แสดงว่าคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมายความว่าจะต้องประกอบด้วยกุศลกําบุตรสิบประการ กุศลกรบวสิประการท่านจึงเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องกักเกณฑ์ในกนุ่นก็ทำนะฮะอย่างพวกสิทธิมนุษยชนในวันนี้เราจะเห็นว่าตัวเองก็ที่เรียกบังคับเดี๋ยวปุ่มขู่เดี๋ยวคุกคามใ้คนอื่นก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็รบสิทธิมนุษยชนเดีตัวเองมาตีเขาไม่ก็รบสิทธิอื่นคนอื่นนะ่ะมนุษยธรรมเป็นเรื่องของ มนโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจของคนเองเป็นพัฒนาการทางปัญญาที่มันก้าวขึ้นไปแล้วก็มองสิ่งทั้งหลายโดยความปเป็นเหตุเป็นผลแต่เราเรียกว่ารูปบาบุลคุณโทษนะะระดับนั้นมันก็รูปบาบุลคุณโทษและในส่วนที่เป็นคุณก็ปฏิบัติในส่วนที่เป็นโทษก็งดเว้นงดเว้นได้ สุสนกบฏสิประการ น, นเราเจอบ่อยนะเพราะเป็นหลักเทวเจ้าท่งสดแสดงในรูปของศีลธรรมจัร ญ, ญาก็าจะยกมาแค่เนี้ยกค่สิบข้อแต่สบข้อเนี่ยถ้าคือถ้านับข้อเรารู้สึกมันมากมันแย่คือตั้งจิตงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นนะนะฮะงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เป็นระดับสี ตรงนี้เป็นเรื่องระดับศีลก็เว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ระพฤติ ผ, ผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดโอเสียดไม่พูดกำหยาบไม่พูดเหลยวไหลตรงนี้เป็นศีลเป็นศีลท่านท่านเห็นว่าในแง่ของอริยมรรคก็คือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจารวาจาชอบกับการงานชอบกัอการการกระทําในทาง ในสามข้อก็เป็นเรื่องก็เรียกว่ามโนสุจริตคือความคิดหมายความไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมันแต่ว่ากิเลสเราปุ่มได้เรามีความโลภเรียบร้อยนะแต่ไม่ถึงก็อยากได้ของคนอื่นเคารพสิทธิในทรัพย์สินของเขาของใครคนนั้นก็รั ก, ขขกรรเขาหวงก็ไม่มีการรุกลมเอื้อไม่มีการเปลียนเปลี่น แล้วก็มีความโกรธเนี่ยนะฮะก็คงโกรธแต่ก็ไม่ถึงกับไปอาฆ า, า, าตไปย่าบาทการจะทําลายล้างจนถึงก็ลามปามนะฮะพวกนี้พวกนี้พว ก, กลาพวกลามปาม น, นะนั้นน่ะพวกกิเลสเนี่ยมันลามปากที่จริงธรรมะมันก็ลามปามกันะแต่ก็ไม่พูดว่าลามปากเพราะลามปามส่วนมากมักจะใช้ในเรื่องไม่ดีแล้วก็มามีความเห็นชอบตามทํานองกรองธรรมเพราะฉะนั้นเลยเนื่อตัวหลักจริงๆมันก็อยู่ตัวเนี้ย เห็นชอบตามทำนองครองธรรมรู้บาปุณคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วทางเสื่อมทางเจริญเมื่อวานเนี่ยก็ไปไประชุมคณะทำงานกันที่ท้องสนามโดวงพอท่านรองอธิบดีโครงการปกครองเขาบอกว่าพี่หน้าต้องให้กระทรวงศึกษาเป็นหลักมาบอกไม่เอาอ่ะเอากระทรวงมหาไทยเป็นความตั้งใจมาลึก ของงานกับดาส่งเสริมเนี่ยเกิเราต้องการผู้นาชุมชนในทางศิลธรรมสร้างผู้นาชุมชนในทางศิลธรรมเราทำยังไงอ่ะเมื่อเช้านี่ที่มาช้าไปหน่อยเนี่ยผู้ว่าจังหวัดตากกับคณะเข้ามาเยี่ยมเธอก็นั่งอธิบายธรรมะให้เฟังนะอดเทศไม่ได้ไเทศช้าไปหน่อยก็ บอกว่าเราเราเร า, เราอยากให้ผู้นําจุมชนในท้องถิ่นเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทยํายังไงว่าถึงวันมาฆบิาขะอ า, า, ะาสานผากข้าวพันษาผู้ใหญ่บ้านจนชุจนจกชว น, นรัศฎรทาความดีกันสาเดือนครั้งสามเดือนครั้ ง, เ อ, งเอาสามเดือนครั้งก่อนเราจะผัวชมเนี่ยถ้าเราผู้ใหญ่บ้านมานําราศฎรทาความดีได้นะฮะแกก็ต้องทําความดีนํานะไม่งั้นแกก็ ถูกดา่าถูกชาวบ้านดา่าว่าว่าแต่เขาไอ้หนอมเป็นเองแล้วก็จะกลุ่มิรูปบ้านไม่ได้ทีนี้ถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักจะได้ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆขึ้นมาจากข้างบนเฉะนั้นความคิดเรื่องนี้ที่จริงต้องการจะจับมาที่รัฐบาลเลยนะจะให้รัฐบาลออกมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎไปได้ให้เป็นวันสําคัญของชาติที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมะไ ม, ไม่ไม่ต้องไปจายอะไรก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่เรื่องเงินเรื่องทอง เราคิดจะให้มีคนดีขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศไม่ใช่ดีแล้วไม่ต้องมาทําบุญวัดวอร์ทำที่ไหนก็ได้ทําความดีก็แล้วกันก็ต้องการจะมีคนทําความดีนั่นก็คือความคิดดั้งเดิมที่คิดสร้างสูตรเนี่ยคิดจับก็เป็นศูนย์แต่ป็นจับตัวรัฐมนตรีมาไทยไม่ได้สักทีนะใช้เวลาไตั้งแปดปีนะจึงจับได้ปีเนี้ปีที่แล้วก็จับเกือบได้ลดไปแ้วกันเกิว่าจะให้รัฐมนตีมาไทยนี่เป็นคนนํำลง นำลงมาจากข้างล่างเดี๋ยมามองปัญหาเนี่ยว่ามันมันมืนเมือก็ของนะฮะมันเหมือนก็ของถ้ามันอยู่ต่ําเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อมลงไปหยิบมาถ้าอยู่ตรงกลางเราก็ต้องยกมือขึ้นรับถ้าอยู่ข้างบนเราก็ต้องยกมือขึ้นรับไตรงนั้นงานบางอย่างเนี่ยอาจจะลงมาจากข้างล่างอาจจะขึ้นมาจากข้างล่างอาจจะมันขึ้นยากงานแนวนี้มันต้องลงมาจากข้างบน พระคนเราอย่างไงเนี่ยก็ชอบผู้มีอำนาจชอบชอบไปสั่งนิดๆนี่ย น, นะฮะชอบไปมีการสั่งในการชี้แนะในการกกประกาศบัญชาก็าแห่พระบรมสารีการธาตุเดินเฉยยืนดูดูเฉยเลยบอโกศลบอนี่พระบรมสารีการธาตุในไหว้เลพี่น้องไหว้กันสั่นหลอนนะนะรู้พระบรมสารีการธาตุเพื่อนไมนบอกให้ไหว้ไม่ไหว้เวรกรรมจริงเลย สีใครก็กล่าวนะเขาบอกว่าพระบรมชนนกตอนบอกเมืองไทยในดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคนไทยอยู่คือมันพูดยากกันนะะมันก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องทําให้มีการนํานี้การนำเนี่ยคือหมายความเราก็ต้องเอาสัมมาทิฏฐินี่ยเข้าไปในหัวใจคนแต่โดยเฉพาะก็คือผู้ที่นําชุมชนในท้องถิ่นเหล่านั้นนั่นก็คือความคิดแนวสูตรที่จะสร้างมนุษยธรรมเนี่ยจะมรโดรมณ์ยากจังเลย สายตายได้ก่อนเนี่ยทํามมดดสมเดชหรือเปล่าก็ธมปฏิทิมันก็เป็นหัวหลักหมายความมาให้คนมีปัญญาเป็นหลักคำว่ามนุษย์จึงเราเราจึงได้ยินนะฮะได้ยินว่ามนุษย์คือสัตว์โลกที่มีใจสูงนั่นก็แสดงถึงผลของการมีปัญญามันมันมันเป็นผลนะฮะเป็นผลมนุษย์คือสัตว์โลก ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอาการมนุษย์คือสัตโลกที่มีเหตุผลก็แสดงว่าเป็นสภาพจิตสภาพจิตจริงๆเนี่ยทุกเรื่องที่ผ่านมามนุษย์จะใช้จะใช้เหตุผลจะไม่ใช้อารมณ์จะมองวินิจฉัยกันตามทุกคนแก่กรณีนั้นๆนะฮะก็แล้วแต่เรื่องอะไรซึ่งทั้งหมดก็คือสมาธิิ พอสมาธิตีก็ เ, เกิดไอ้ยังยังข้า ง, า ง, งบนเก้าข้อมันไม่มความหมายอะไระนะฮะไมีความหมายอะไรเพราะใจมันมันมีปัญญากเกิดขึ้นแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคาสัตว์ตลอดชีวิตเราเมันมันมันมีบางจังหวะที่เกิดความคิดจะคาสัตว์ขึ้นมาปัญญาก็พิจารณาเห็นบาปเห็นเป็นบาปเป็นเป็นโทษไม่ควรฆ่ามันก็งดเว้นเนี่นนะ เราตั้งใจงดเว้นจริ ง, รงๆแต่เราก็ไม่มีศาสตร์ให้ฆ่าทุกนาทีปัญหาต้องการเราเวลาไปเจออารมณ์ที่จะต้องฆ่าจะต้องลักจะต้องล่วงทางประเวณีจะต้องพูดเท็จพูดโดเสียพูดคำหยาพูดเหลวหลมันก็หยุดตัวเองไม่ได้ซึ่งก็คือมีปัญหาเข้ากำกับในการดําริชีวิตฝนสมาธิจีเนี่ยจึงจึงจึงเป็นหลักหมายความว่าเป็นมนุษยธรรมจริง ธรรมะที่ทําคนเนีเป็นมนุษย์จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขามักเกี่ยวพูดว่าศี่ห้าที่จริงสี่ห้ามันก็คือการแน่นะครับสีห่หก็คือการเพราะอะไรเพราะว่าตัวข้อสุดท้ายเนี่ยมันเน้นที่สติเพรสุราเนี่ยเขาเน้นที่สติสติสติเกิดปัญญามันก็เกิด น, นะครัปัญญามันก็เกิดพิจารณามันก็เดินกันได้ไม่จําเป็นจะต้องจะต้องนับจะต้องนับหลายข้อก็ได้เพียงแต่ว่าบาลีจริงๆเนี่ยท่านแสดงมาสิบข้อ ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติการ9้าข้อก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งแต่นั้นเองแคร์กก็เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะฮะและอย่างอื่นมันสืบเนื่องจากจากการเราเกิดเป็นคนเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยทั้งบงสาคณาญาติทั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขขนมรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีดแบบแผนกฎหมายศาสนามันมาเป็นตับมาเนี่ยท่จริงมันมาจากเราเกิดเป็นคนเราเกิดเป็นแมวแล้ ว, วจบเลยนะพวกนี้ไม่ไม่ติดอะไรมนเลย นี่ก็คือก็คือสิ่งที่มันต่อเนื่องมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันเละกันเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีก็ทยอยกันไปเป็นแถวไปทีนี้พอจุดหนึ่งมันไม่มีเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่มีนะไม่ต้องตามมาอคุศน์อคลสลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปนั้นเ็าเรียกว่าเป็นลิงค์สมบัติ ะเป็นมนุษย์สมบัติเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ทำไมยังต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ไหมเป็นพรหมได้ไหมมันเป็นไม่ได้นะเพราะว่าคือการการจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะคิดจะช่วยเพื่อนเนี่ยนะะคิดจะช่วยมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องมีทุกข์นะมนุษย์ต้องมีทุกข์ถ้าเราเห็นว่าเขาสุขอยู่หมดเราไม่มีคิดคิดช่วยอะไรเขา เหมือนคนเดินอยู่ดีๆทําไมจะต้องไปประคองมาทําไมมันเทวดามันไม่มีอารมณ์กระตุ้นอย่างนั้นเนี่ยยิ่งพรหมโลกยิ่งเสร็จเลยท่านอยู่สมาธิของท่านเน่ยนะไม่มีใครทุกข์เล ย, ยในพรหมโลกเนมันมีแต่ ก, กิเลสมันสงบมันได้ฌานเะนี่ยและที่สําคัญนะันยิ่งเกิด อ, อายุท่านยืนนะท่านไม่เห็นใจรักอนะ่ะไม่เห็นใจรักอายุมันยืนมากเนี่ยจะไม่เห็นใจรักคนเรา อ, อายุน้อยๆยังไม่เห็นใจรักเลย เราได้ยืนยืนท่านไม่เห็นใหญ่คนบางคนนั่งเจ็ดแปดสิบแล้วยังไม่เห็นใจรักนะะยังเห็นใจรักนะยังไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยยังอยากยังอยากได้อยู่เรื่อยๆนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เรื่อยที่อามาพาดไปซื้อซืีกตัวแล้วยังอยากได้อยคือแสดงไม่ได้เห็นใจรักอะไรเลยไม่ได้คิดเตรียมตัวที่จะทิ้งสังขารเพื่อ ทำด้วยการทําความดีมันเป็นความดีไว้กว่าชีวิตจะแตกดับมันไม่นั้นแสดงเห็นว่าไม่เห็นแต่ละเพราะงั้นจะต้องเป็นมนุษย์ซึ่งอายุไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปถ้าสั้นมันก็เอาไม่ทันแน่นะสั้นก็ทําอะไรไม่ทันแต่ยาวเกินไปมันก็ไม่เห็นมันเพราะงั้นท่านึ่งบอกว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ลิงคัดสมบัติคือจะต้องสมบูรณ์ด้วยเพศ เพ้นนั้นจะต้องเป็นบุรุษนะฮนะเขาว่าอย่างงั้นนะโยมไม่ต้องเสียใจนะฮะว่ า, ราพระคุณเจ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้หรือก็ท่านว่าอย่างงั้นเนะี่ยนะต้องเป็นต้องเป็นผู้ชายนะฮะคือดูแล้มันก็เป็นไม่ได้จริงๆเนี่ยนะถ้าลองนึกดูพระคุณเจ้าไปนั่งบาเพ็ญเพียรอยู่คนดีสาวสวยอายุยี่สิบเก้าปีนะฮะก็ยังไม่แก่ทลายนะตอนนั้นไปนั่งบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่าคนเดียวอนะฮะอยู่ได้เลยมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว ก็เลเรื่อยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไอ้หนุ่มไหนมันลากไปอะไรกันเลยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วโดยโดยสภาพการแสวงหาคนคว้าเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามันก็เป็นไม่ได้จริงๆกันนะก็ออกมาอยู่ไม่ได้เป็นเพี้ยนทุกทรมานอย่างนี้นๆก็ทำไม่ได้ดังนั้นแต่ต้องต้องเป็นบุรุษเพศท่านบอกผู้หญิงนี่เป็นไม่ได้สอย่าง ก็ไม่รู้เหตุผลนะฮะก็ก็มายความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้นะฮะเป็นพระเรจ้าจักรพรรดิไม่ได้ไอ้จักรพรรดินีอะไรแตไรเนี่ยคัทตรินอ่ไรเขาเขไม่ได้ถือว่าจักรพรรดิอย่างนั้นนะฮะไอ้จักรพรรดิทำจักรพรรดิชื่อญี่ปุ่นก็จักรพรรดิทุกคนนะฮะจีนก็จักรพรรดิแต่ว่าไม่มไม่ความหมายจักรพรรดิในพพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเท้าสก่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามอย่างเป็นไม่ได้ ก็ท่านไม่ได้ให้เหตุผลอะไรไว้ท่านบอกว่าผิดวิสัยท่านบอกเลยคือไม่ใช่วิสัยแต่ก็ไม่ได้ปฏิปเสธอราหัตนะะไม่ปฏิเสธอรหัตเพร า, ารประปฏิเจรกัพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพบเป็นผู้หญิง น, นะแต่พบแต่เป็นพระอาราหันต์ก็เหมือนกันนะนะพระอาราหันต์ก็หมดกิเลสเหมือนกันประเด็นต้องกานก็อยู่ที่หมดกิเลส ก็เป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์นะฮะมีก็แม่อีกอ่ะบุรุษเพศก็ต้องสมบูรณ์ไม่ใช่อคท่าทางไงตนนนนึงกระทงกระเทยเนี่ยไม่ได้นะอุปตูพยัญชนะกเนี่ยไม่ได้ <_ vaccine> พวกนี้ที่จริงในาบินนยเองเนี่ยเขาห้ามห้ามห้ามบวชนะห้ามบวชไม่ได้ <m> เป็นนี้ที่กลัวกันมากในวะง <m> การสงฆ์เนี่ยกลัวกันมากวันไหวกันมากไม่รู้จะทํำยัำยงไงโรคเอดส์ะโรคเอดสกับกระเทยๆๆเกลัวกันมาก กลัวกระเทยมากกว่าโลโรคเหตุนะครโรเหตุไม่เคยกลัวมามไม่กี่เป็นเตีเกิดตายแต่ก็ะเคยนี่มาอารวาสนะะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากระเทยเป็นยังไงด้วยคือตรวจเพศไม่ได้ไม่เหมือนนักกีฬามันวิ น, นัยวินัยก็บอกว่าบวชไม่ได้แต่เราตรวจเขาไม่ได้นะตรวจเขาไม่ได้มารยาทอย่างไงวันหลังจะต้องมีหมอตรวจกระเทยข้าวมันจะมีปัญหามากในศาสนาสมัยวุฒิการก็มีปัญหาจ้ะ นี่คือสิ่งที่กลัวกันมากแล้ววันไหวกันปรึกษาประชุมในผู้กันทุกทีแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่จะแก้ยังไงเหมือนกันระศาสนาก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเราจะบังคับเขาประกาศลงไปแล้วเขาก็บอกเขาไม่เป็นนะเขาพร้อมหมิ่นประมาทอีกว่าเึงยุ่งกันใหญ่รูปปรางศรีล้านนะ ก, ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สรุปประเว็เนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ไม่รู้จะทํำยังไงก็เป็นบุรุษเพศที่ต้องสมบูรณ หมาความมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วก็เป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์ประการที่สามเขาเรียกว่าเหตุสัมปทาสมบัติไอ้นี้สําคัญมากเลยสำคัญมากกว่าหมายความว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในพื้นฐานของจิตเนี่ยนะพื้นฐานของจิตต้องกรอบด้วยกรุณามากๆคือเรามองถึงคนเป็นอันมากที่พวกนักสังคมสงคมเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ต่างๆช่วยสังคมเนี่ยนะ คือเรดูบางทีจิตจิตใจเขามาหาศาลมากๆกันนะจิตใจมาหาศาลมากบางทีเป็นคนรักจนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตัวเองทํางานก็เลี้ยงดูครอบครัวพอเป็นพออยู่แล้วก็ไปเลี้ยงหมาเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยนะภาพอย่างนี้เรานึกดูใจของเขาเนี่ยกรุณารักษาด้วยจะเล่นไม่ใช่ใจธรรมดานะใจธรรมดาไม่ทําหรอกครับอย่างงั้นไม่ทำํำแต่นี่เรี่องใจพ็พิพเศษจริง เป็นภาคีร้วห่อทองไยนะโดยการที่บำเพ็ญสาธาเนยโยชน์ต่างๆให้พวกที่ไปเก็บศพเศษศพอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยเนี่ยเดี๋ยวนี้พวกดาราเก็ไปทํากันมากคือเราต้องนึกว่าคนเราเดีอดใจเขาไม่จะธรรมดาใจธรรมดาทําไม่ได้เลยต้องใจพิเศษมากๆเขาจะเกิดมาเป็นอะไรไม่สาคัญแต่ว่าใจเขานี่สําคัญมากเราจึงเห็นใอ้พูกภ้าคีิ้วห่อทองแนวเนี้มันมากมายเลย ในบ้านเราก็เยอะนะฮะคนประเภทนี้ยเยอะแต่ไม่ใช่พวกมาผสมผสานด้วยจิตใจที่มุ่งสแสวงหาประโยชน์นะฮะมุ่งประชาสัพัน์ตัวเองแล้วก็หาประโยชน์จากไอ้รูปแบบที่เป็นแฟชั่นโชว์แสดงนะส่วนมากแล้วพวกนี้จะใช้หนังสือพิมพ์เป็นหลักแต่คนพวกนี้พวกปิดต่อหลังพระไม่มีใครรู้เขานอกจากคนไปเจอเข้านะฮะ กไม่เจอข้าวหรือคนได้ไปเห็นแนะนําสื่อสารมวลชนให้ไปนําคนคนนี้มาเผยแพร่แต่เขาเองก็ไม่โปรโมทตัวเองก็ทําว่าเขาได้อัธยาศัยขเขาเขาแต่วันนี้ก็คือพื้นฐานของบารมีอย่างคนบ้านนอกบางคนเนี่ยเวลาคนตายแล้วก็ไปช่วยเผาศพเขไม่ยุ่งอะไระ่ะกินข้าวไปที่บ้านเองแล้วไปช่วยเขาทุกอย่างแล้วก็เป็นรับรางวัลอะไรๆทามาเป็นปีๆยี่สิบปีสามสิบปีจนท่านจนแก่ ทำด้วยความนสนิทสนม็ก็ไปกันแล้วแกก็ น, นั่งดูอย่างนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ยคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะธรรมดาธรรมดาไม่เไม่ได้มีความรู้อะไ ร, ะไรแต่ไหนเลยแสดงว่าอัตยาศัยเนี่ยสูงมากมันเป็นบา ร, รมีธรรมแต่เรียกว่าประกอบด้วยกรนณาจิตนี่สูงกโนจิตก็เห็นทุกข้องคนอื่นแล้วก็มองสถานะตัวเองว่าตัวเนี้ยเราจะเราจ ะ, เราจะช่วยอะไรก็ได้บ้างเรช่วยอะไรก็ได้บ้าง เราจะพบว่าบางทีมันก็เกิดเนะนีน่ยนะเช่นเช่นมีการประกาศเชิญชว น, ช, ว น, ช, วนชักชวนบําเพ็ญกุศลบรรเทาสาธารณภัยเกิดภัยเกิดอันตรายต่างๆขึ้นเขาชวนชวนชักชวนให้ไปช่วยเราได้ยินครั้งแรกก็นึกอยากนะนึกอยากจะบริจาคแต่แต่มีเยอะที่บริจาคไม่ได้คือคือมันเสียดายสตางค์เสียดายสตางค์ก็บริจาคไม่ได้นั่นก็แสดงว่ากรุณามันมีแต่มันมีด้วยแรงกระตุ้น แรงกระตุต้นมาจากข้างนอกตัวเรากําลังมันก็ อ, อก่อนแรงแรงกระตุต้นนั้นมีกําลังไม่มากพอคือไม่ถึงกับบริจาคได้แต่ ก, ก็ก็นึกอยากกระบริจากแลวก้วพลันตั้งก็ลืมลืมไปก็นี้ก็คือก็คื อ, คอพื้นจิตเนี่ยนะฮะพื้นจิตที่เป็นอัตยาสายเป็นบารมีของบุคคลตัง น, นั้นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยจุดตรงนี้มันมันเวลาท่าน ท่านท่านบนรรลุมรคผล่นปั๊บพระพุทธเจ้าตรัสรูปปร้ปั๊บเนี่ยท่านมองโลกแนวเดียวคือกรุณาแต่นั้นเองแล้วต้องการจะบำบัดทุกข์ให้แก่เขาโดยไม่มองสิ่งที่พระองค์และท่านจะได้แต่มองซึงสิ่งที่ท่านจะให้และที่จริงอยากจะให้จริงๆเนี่ยคือให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าพระหันตั้งหลายเนี่ยท่านต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะเป็นความสุขเป็น เป็นบรมมสุขเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความเย็นอย่างยิ่งเป็นความปรงเบาอย่างยิ่งถึงไม่มีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วนะเพราะตอ น, นทํางานจึงจึงไม่ได้คํานึงถึงตัวเองไม่ได้คํานึงถึงความเหนื่อยยากลาบากอะไรแต่คนเราก็มีความจากัดในตัวเขานะฮะคืช่วยยังไงมันก็ก็อย่างว่ามันช่วยเท่าที่ช่วยได้นั้น ตรงนี้จึงเป็นอัธยาศัยที่เราฟังจากชาดกต่างๆแต่เราสังเกตนะฮะว่าอัธยาศัยพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่ามีมหากรุณาอัธยาศัยมหาบุรุษประกอบด้วยมหากรุณาไม่ใช่กรุณาธรรมดาเป็นมหากรุณาคือกรุณาที่ยิ่งใหญ่ไม่มันมันมันมอรโรกรุณาอะไรอไรอคติก็เติร น, นมันมันขัดจัดหมดอะ ให้ลองสังเกตดูเราสงสารคนแล้วเราไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาอย่างไงขี้เลื่อนกุดถังอย่างไงหรือคนเคยโกรธเคยเกลียดอย่างไงนี่มันมันไม่เมียะไม่มีความรู้สึกต่อหนั้นอยูนั่นแสดงว่ากรุณาจริงๆเพราะการุณามันไปขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนนะเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไปจัดความวิหิงสาเพราะนัตยาศัยของคนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจึงมีลักษณะของท่านอย่างนั้น เป็นอัจฉริยะสายหรือัจยะสายมหาบุรุษไม่ใช่เฉพาะบุรุษนะอัจยาศัยของยอดคนนะออจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คำว่าบุรุษนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะฮะหมายทั่วไปคนทั่วๆไปเนะี่ยแต่ว่าท่านเรียกว่าบุรุษบางที่พระนี่ก็เรียกว่าบุรุษนะบุรุษมันเป็นมันเป็นคำรวมเป็นคําอะไรคํามันแยกมาจากพวกปรมาตามันกับอาตามันนะฮะปุรุษะกับประกติด บุรุษกับปรกริที่เรียกว่าโลกมีมีสองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กกันตัวไม่ใช่ตัววัตถุกับตัวนามธรรมตัววัตถุก็เรียกประกริตนะตัวนามธรรมก็เรียกบุรุษเพราะาบุรุษมันก็เรียกเรียกเรียกรวมสรรพชีวิตทีนี้บางทีเนี่ยท่านก็เรียกรวมมือกันฮะเรียกว่าบุรุษสตรีอันนี้ก็แยกเพศแต่ว่าบางทีก็ใช้คำตรงนี้ใช้คาว่าบุรุษ ซึ่งก็หมายถึงคนนะฮะหมายถึงคนโดยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าอัจฉริยะใแบบคามบรุษคือบารมีของคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นิยตตาโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านจะตัดช่องน้อยเดชพอตออกบวชในสมัยนั้นนะฮะในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทา่านก็บารรลุมาผลเป็นพระหานได้ร้อยหมายความว่าบารมีนี้สร้างมาเป็นพระหานได้ ในขณะนั้นนัน่นนะะออกบวชแล้วบรรลุมรคผลเป็นพระหันได้เลยยังจันที่เคยบอกกับท่านทั้งหลายฟังว่ายงางหลวพุทธเจ้าเราอน่ยนะะพระเจ้ามีสามประเภทมีสติทิกะวิริยทิกะปัญญาทิกะพระเจ้าเรานั้นเป็นปัญญาทิกะใช้เวลาบําเพ็ญบา ร, รมีน้อยเพราะใช้ปชัญญามากใช้บาเพ็ญบา ร, รมีเสียสงไข่กระแสนกพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าก็ครึ่งหนึ่ง นะหมายความว่าก็สองอสงไขยกระแสนับพระมหาสาวก ก, ก็ก็ขนาดนั้นนะนะแต่ทีพ่พระสาวกทั่วไปเนี่ยพระสาวกทั่วไปถ้ามันเป็นมันเป็นวรมีนาขนาดนั้นคือว่าย่อยวิธีมกันหนึ่งอสงไขยนะกระแสนับตกลงว่าพระพุทธเจ้านั้นมากกว่าพระสาวกไปก็อีกสามเท่านะฮะมากกว่าสาวกไปอีกสาม พระปฏิเจรพุทธเจ้าก็น้อยกว่าพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งพระมหาสาวกก็น้อยกว่าพระปฏิเจกิญพระุทธเจ้ามันหน่อยหนึ่งฮะพระสาวกทั่วไปก็น้อยกว่าอีกครึ่งนึงเพราะงั้นเวลาแสดงอะไรจึงต่างกันเออยอะไงเนี่ยภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะอเงี้ยฉับไว้รวดเร็วตัดสินปัญห า, าต่างๆกัน แล้วก็ทํางานสําเร็จมากเพราะจริงๆบารมีท่านมากนะบารมีท่านมากบารมีท่านสร้างรองจากพระพุทธเจ้าสําหรับยุคยุพุทธกาลน่ะแต่จริงๆแล้วเรารองพระปัจเจกพะพุทธเจ้าถ้าเทียบทั้งหมดน่ะเทียบพุทธาทั้งหมดก็รองพระปฏิเจ้พะพุทธเจ้ามันคนเราถ้าไม่มีกรุณามากๆนี่เขาไม่ยอมอยู่อ่ะนะฮะต้องลงทุนสร้างบารมีอีกทั้งสองอสงไขยกระแสนกั่จึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้า สร้างมาแล้วนะฮะสร้างมาแล้วก็ได้แค่นั้นเดได้เคลี้ยงสาวกบา ร, รมีแล้วตรงนี้ที่จริงอ่ะเป็นสาวกได้แล้วแต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแต่เพราะการณุณาสงสารต้องการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ไดมากที่สุดคือจะเป็นพระอรหันต์ก็ทําได้นะฮะระดับหนึ่งสู้การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ในฐานบา ร, รมีนะฮะฐานบา ร, รมีที่ที่ที่ท่านมีอยู่แล้วยังไม่ได้ฟังธรรมแต่นั่นเอง ไ, ได้ฟังธรรมมีต้นทุนเยอะแสดงว่ามีต้นทุนเยอะแต่ก็ไม่ยอมใช้ก็ต้องการจะช่วยสัตว์โลกแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางบา ร, รมีบา ร, รมีคือกรุณาท่านแล้วประการต่อไปก็คือต้อง พบเห็นพระพุทธเจ้าโปร่งใดพปร่งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปตั้งความปรารถนากับใครก็ไม่รู้ น, นะมันต้องพบเห็นพระพุทธเจ้าโปร่งใดโปร่งหนึ่งเวลานี้ก็มีการกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเยอะนะบ้านเมืองเราเนี่ยคือคอทํำยังไงอะทํำยังไงว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายแต่กี้เนี่ย ท, ท, ที่พวกผู้ว่าเขามาเนี่ย ก็มาถามถึงเรื่องลัทธิต่างๆที่มาเผยแพร่กันอยู่จากต่างประเทศนะฮะแล้วมาก็เลยอธิบายเขาฟังปรเวรนียเราเราไม่ค่อยเข้าใจเราไม่ค่อยคิดนอกรูปแบบนะฮะคือไม่ใช่คิดว่าอาศัยโครงสร้างของการคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดจากเรื่องเหล่านั้นที่จริงเวนี่มันมีการล่านานิคมอย่างแรงมากเลยเขาสร้างจากักรวรรดิกันยิ่งใหญ่มาก จักรวรรดิยิใหญ่ที่เคยสร้างมัสร้างจักรวรรดิของอำนาจนะฮะเราจะเห็นว่าก็คือการสร้างทางบ้านสร้างเมืองยึดบ้านยึดเมืองอ่าแล้วก็ส่งลูกไปก็เป็นเจ้าอยู่นั่นดุนนั้นดุนนึงเยอะแยะหมดเลยนะวงศสาคณะญาติกับของบัตรของเพื่อนก็โลกมันก็มาอย่างเงี้นะฮะมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวลานี้มันสร้างไม่ได้องค์การชาติชาชาติก็คุมอยู่มนุษย์มันก็ออกมาสองแนวแต่เราไม่สังเกตเองคือ จักรวัิทางธุรกิจกับจักรวัิทางศาสนาทางความเชื่อซึ่งหมายความพวกนี้จริงๆมันสืบสันตติวงเหมือนกันหมายความว่าสร้างมาจนเป็นเศรษฐีกาะกลุ่มก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ไข่สลับแต่งงานกันในพวกนี้กูหยาอยู่เรื่อยๆนะฮะลูกไปโรงเรียนในอุนบาลก็มั่งรถเบนคันบลลมไปจอดเชครึ่งถนนเลยเพื่อนไม่ต้องวิงนะ่งอ่ะรถติดเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเนะี่ยใช้รถเอาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอีอ๋อ น, นะสั่งลูกอย่างงั้นอย่างนี้นะมันหยุดดนะ้ จอดแล้วก็กระเป๋าต้องอยู่ท้ายรถนะอยู่จะต้องเปิดกระเป๋านะแล้วก็มาลูกแล้วก็สอนลูกต่อนะรถอยู่แั่งกี่นาทีก็ไม่รู้ไปอยู่แถวเส้นกาเบียนแต่โรงเรียนดังๆเนี้ยแต่วิทย์เสียวทังร่มด้วยเสร็จถีส่งลูกเขาจักรวัตเนี่ยเขาเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้าจักรวัตก็ใหญ่ก็อยากก็โตกงสืบทออกันกี่ชัวคนกันไม่รู้นั่นคือจักรวัตทางธุรกิจแล้วคนตั <tinham S 2> <confiance. S 1> <tes> ้งหลายมันก็ต้องขึ้นนะฮะ คือต้องขึ้นภายใต้จักรวรรดิเขาสมมติว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ยมันต้องขึ้นตรงตัวจักววรวรรดิเครือซีเมนยี่สิบเจ็ดบริษัทเนี่ยอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายมันต้องซื้อจากเครือซีเมนอย่งนั้นน่ยลองว่าเครือซีเมนไม่ยอมขายให้อสร้างบ้านได้หรอสร้างไม่ได้จักรวรรดิอย่างหนึ่งคือจักรวรรดิทางศาสน า, ศาอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ยโยเรยงเงี้ยโยเรงไปเนี่ยถึงรุ่นลูกนะแต่คนธรรมดาเนี่ยลูกมันก็ขึ้นแล้วเป็นหัวหน้าแล้วต่อไปก็หลานขึ้น เล้วก็เหรนขึ้นมั่นก็คือจั ก, กรวรรดิคนตังางยก็มุ่งขนเงินขนทองไปปลนปลือพวกโยเรยกันญี่ปุ่นเนี่ยนะแล้วก็ไอ้เซียงมันมุลที่อยู่เกาหลีมันก็จั ก, กรวรรดิจั ก, กรวรรดิเวียเนี้ยลูกชายเขามีมหาการรือหาดะไม่ใช่การือหัดธรรมดานะมีตั้งสี่สิบกว่าห้องมีบริษัทอยู่ร้อยกว่าบริษัททั่วโลก แล้วก็คนทุกคนก็ถือว่าเมียของมูเนี่ยก็คือแม่ที่แท้จริงตัวมูเนี่ยคือพ่อที่แท้จริงทุกคนก็พุ่งกระหากคนนี้ปลนปลือมคนเนี้จนถึงกับคลุ้มคลั่งกับที่แ ท, ท็กซัเสเห็นไหมฮะทีแท็กซัสนิ่คลุ้มคลั่งจนขนาดว่าเอาเมียไปให้อาจารย์ให้ศาสดาให้เป็นน้องกับศาสดาผัวจะได้เกิดจะได้ขึ้นสวรรค์นั้นคือจกักรวรรดิแล้วคนไม่รู้วเวเน่จกักรวรรดินี่ยคือคือตายยิ่งกว่าจากักรวรรดิธุรกิจซีก เพราะอะไเพราะว่ามันล่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไปมนุษย์จะยอมสยบเอาจิตวิญญาณไปแล้วมันก็ทุ่มเทชีวิตลงไปเป็นเครื่องมือกอนจักรวัิเหล่านี้แล้วเขาก็รวยก็สืบพ่อจักรวัตเขานะฮองศาการอนญาตเขาก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทํำยังไงฮะพ่อมันตายแม่มันตายลูกก็ขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อเออนนี้ก็คือมากราชจักุมาตนะ เทียบแล้วก็คือมกุฎราชกุมารนั่นเองเดี๋ยวมันขึ้นตรงไปนะแล้วเขาก็นับถือทุนกล้าวทุนกระมองกันเลยบอกว่าคนเราไม่ได้มองปัญหาตรงนี้เลยแล้วถ้าพูดมันก็หาว่าผู้การเมืองพูดไม่ได้นะบอกไม่ได้หาว่าพระผู้การเมืองคือโง่แล้วก็ยังหาว่าคนอื่นจะให้คนอื่นโง่ด้วยคือมันมันมันมันมันก็ตกเป็นเครื่องมือเขาอะแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าจิตวิญญาณเราไปได้วิถีชีวิตเราก็เป็นญี่ปุ่น กินอาหารก็ก <Yeah. S 1> ินแบบญี่ปุ่นสร้างบ้านก็สร้างประจุวัสดุมันก็มาจากญี่ปุ่นมันก็กลายเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจครับมันถูกล่าจิตวิญญาณแล้วก็เป็นอาณาณิคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมคนไทยก็กลืนชาติถูกกลืนชาติเป็นญี่ปุ่นเป็นวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นระดับประชากรชั้นสามนะไม่ใช่ชั้นหนึ่งเป็นประชากรชั้นสามก็คือแล้วแต่ญี่ปุ่นจะสั่งนะแล้วแต่ญี่ปุ่นก็จะสั่งและแต่เกาหลีก็จะสั่ง ถ้านับถือมูลก็แล้วแต่ก็เหลียงยศก็เหมือนกับเรานับถือพระพุทธเจ้านะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเราต้องถือพระเจ้าแล้วเราก็นับถือพระบุรรมวงศสานวงศ์นะนับถือพระเจ้าสุวนตัวทนะพนังสิมหมามา ย, ยาไนะม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้จักรวรรดิตอนนั้นเองนะไม่ได้สร้างจักรวรรดิเพราะงั้นถ้าพระพุทธเจ้ามีทายาทต่อ แต่มันก็สื่อต่อมันก็ใกล้ใ ก, กล้จั ก, จ ก, กรวรรดิเป็นกันแต่พระพุทธเจ้าเอาธรรมะเอาให้คนเนี่ยปฏิบัติธรรมะและเราเห็นว่าไม่ได้มุ่งตรงมาที่พระองค์พระองค์ก็จบกันนิพพานก็จบกันการกราบไหว้การบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาอันนี้ก็คือก็คือแนว ท, ที่มันไม่ได้ทำโดยการุณาหรอกแต่ดูคล้ายๆลายการุณา เป็นการทำด้วยโลภะต้องการลาบยศชื่อเสียงนะแล้วความยิ่งใหญ่นี่คนคนนั้นจะถูกปลนปลือมูลก็ดีมอมันก็ดีนะฮะไอ้เจมสมิธเนะ่มมันก็ดีแล้วก็อะไรต่ออะไรนะไอ้กิมโจนที่คาราญาบาก่อนก็เหมือนกักนน ะ, นะฮะจริงๆเราเราบทเรียนเ่านี้เยอะน ะ, ะแต่ว่ า, อ, าออกออกโทรทัศน์ก็ไม่ได้ถูกกอบว์ก็เซนซ์อนะเอาิทยุ ก, ก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ เราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยคนจะรู้ว่าเวลาเนี้ยเรากำลังถูกล่านานิคมเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าคอมมอนิสต์เยอะนะฮะน่ากลัวคอมมอนิสต์เยอะเพราะมันเอาจิตวิญญาณออกไปจิตวิญญาณนะก็หมดเนี่ยะก็เสียโยเป็นทาตเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากพื้นฐานของกรุณาแต่มันเกิดจากพื้นฐานของโลภะย่างที่เคยบอกเคยบอกว่าไอ้พวกแม่ตากรุณากรโลภะเนี่ยมันดูใกล้ใต้กันเนี่ยนะ กับเมตตากรุณาโลภะราคะเนี่ยฉันท่าอะไรแต่อะไรในกายมันฉันท่าอะไรเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยอาการเนี่ยเราดูไม่ออกนะฮะเชื่อสมมติว่าคนเนี่ยนะบางทีในเราโอบปุ้มเราทะโนทถหนมเขาด้วยเมตตาอาการมันก็เหมือนกับเหมือนกระดาคะแต่ว่าเราต้องดีต้องต้องดูตอนตีกลับอีกทีหนึ่งนะฮะไอจิตใจคนนี้ก็ทำเขารู้นะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการพิสูจน์เราต้องดูกลับอีกทีหนึ่งว่า สมมติว่าคนที่เราไปแสดงอาการรักทนุถนอมอะไรอะไรเขาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นบ้าเกิดเป็นอะไรไปนะฮะเกิดเกิดเปืยเน่าอะไรเราเรายังมีอยู่หรือเปล่าอาการเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าเป็นกรุณนาเป็นเมตตากรุณาจริงแต่ถ้าเกิดขยะกข ย, กย ง, เกงเกิดดังเกเกิดหนีนะมันก็แสดงว่าเป็นอาการของโลภะเป็นอาการของการมารักะ มันก็เหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยแหละที่เรามิแท้ไมิเทียมอะคือเราดูไม่ออกเราตอนเขาแสดงที่เราร่ำรวยเรามีลาบมียศ ม, มีสันเสรินนี่เพื่อนผูกหมลรอโวยรัใช้จัจก๊จกจกั๊กจั๊กจั๊เลยไม่รู้อะดูไม่ออกเลยถ้าต้องการรู้ก็คุณจนลองดูเถอจนลองดูก็สร้างข่าวอะไรก็ได้นะแล้วเขายังดีกับเราเหมือนเดิมรึปเปล่าถ้าเขายังดีนั่นคือมิตรนะ เพราจริงๆคนมีอํานาจคนมีเงินเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเป็นตระรูหรอกไม่มีทางนะฮะไม่มีทางจะพิสูจน์ได้แต่คุณหมดอํานาจหมดเงินแล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นมิตรหรือ่าเป็นตระรูแสดงอะไรสะแสดงมาว่าไอ้คนที่ไม่ใช่มิตรแท้เนี่ยมันก็เข้ามาเพราะต้องการอาศัยอํานาจเราต้องการอาศัยผลประโยชน์จากเราแม้แต่คนในนับถือพระที่แห่กันเป็นกระบวนก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะมันจะมีคนอยู่ตั้งสามกลุ่ม ถ้าเรามองให้ดีเนี่ยกลุ่มหนึ่งคือนับถือจริงนับถือธรรมะจริงๆคือศรัทธาเลื่อมใสในตัวธรรมะจริงๆเลยกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็มาเพื่อต้องการทดลองต้องการทดลองแต่นั้นเองอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงก็ามาก็เห็นได้ว่ามันจะได้นะฮะมันจะได้อาศัยประโยชน์ เราลองดูลุงปูแหวนในลูกศิษย์ลุงปูแหวนนี่เกลื่อนเมืองเลยนะนั้น น, น่ น, นเห็นไหมตัววันหายไปไหนไหม่รู้เพราะวันก็ะอิงไม่ได้แล้วตอนเนี้นะะก็ยิงไม่ได้แล้วตอนนั้นเรียนลุงปูแหวนใครก็ลูกศิษย์ลุงปูแหวนอู้<ฮ>มันก็นี่ยบทเรียนเราเนี้ยตะกินคนไม่ได้ใช้เกิดไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ว่าโลกในมันระท้อนอะไรอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้คิดต่อจากตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าคุณสมบัติหลักของ คนเนี่ยนะคือสัมมาทัณฑ์ปาความคิดคาคิดในทางที่ชอบนะแต่เราก็ไม่เคยคิดอ่ะเราคิดในติดรูปแบบโดยไม่มองว่าบางทีเนี่ยโบราณเนี่ยท่านใช้ท่านใช้ชอะไรสั้นๆแต่ว่าเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบที่จะกำหนดอะไรได้เยอะแยะนะ แมแต่เนี่ยเอามาเวลาเวลาผู้กับรายการข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยบอกไม่ต้องไปคิดแบบพรั่งไงนะเสียเวลาก็คิดแบบไทยอ่ะคิดแบบไทยขนสายเข้าวัดเนี่ยทํางานเพื่อสาธารณาชนเนี่ยคือขนทายเข้าวัดคุณจะคิดว่าคุณจะได้อะไรคุณจะคิดว่าคุณจะทําอะไรแล้วคิดดูวัดมันจะได้อะไรวัดนั้นหมายความว่าสาธารณะสาธารณาอะไรก็ได้นะโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้วัดก็ได้สถานศึกษาก็ได้ประเทศชาติก็ได้าศาสนาก็ได้ แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ได้คิดเราไม่คิดที่จะได้เราคิดที่จะให้ก็แบบผลสายขวาวัดมันก็ภาพอย่างนมันคิดง่ายแล้วผลไม่จะออกมาอย่างไงผลไม่ออกมาแบบเรือลบมในหนองเรือลบมในหนองมันก็ลงมาอย่างงั้นไงฮะลงมาที่เป็นของสาธารณะของชาติของาศาสนาของส่วนรวมซึ่งซึ่งก็หมายความว่าแนวของพระพุทธเจ้าจะยึดนะฮะถึงปัญญาบริสุทธิ์และกรุศลพระองค์ไม่ได้ทําด้วยด้วยด้วย เ้วยโลภลดลงไม่ได้ทําด้วยความโลภแต่ทําด้วยกรุณาแต่ว่าหลักหลักทรรก็คือการ น, นะฮะคือปัญญาการุณาบรปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเป็นเรื่องของปริมาณตรงนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็มีระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับสมบูรณ์นะฮะแต่ระดับที่เหนือกว่าเราเยอะนะนี่ก็เราเยอะเอ่อการพบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งในการที่จะเป็นตัวกระตุ้น เสริมบารมีเดิมนะฮะเสริมบารมีเดิมซึ่งการเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดอย่างนั้นนะฮะพระเทวทัศน์ท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยากเป็นได้เองอ่ะนะพวกนักบวชนอกศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แข่งดีก็ใส่ร้ายนะก็ด่า ว, ว่า แ, แต่อะไรก็จ้างคนมาทําลายก็แล้วแต่มันไ ม, ไม่ไม่ได้หมายความว่าคนจะเห็นแล้วจะเหมือนกันมันก็อยู่ที่ใจเขานะฮะพื้นใจของเขาแต่นี่จากพื้นฐานที่กล่าวมาเนี่ย ก็ทําให้ท่านได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นการพบเห็นในเมื่อคุณสมบัติอีกสองข้อท่านมีอยู่ก่อนนะฮะหมายความว่าที่เราว่ามาสามข้อแรกเนี่ยเป็นคุณสมบัติในอดีตแต่มันมีมีกุณสมบัติอีกสองข้อในปัจจุบันเขาเรียกบรรพชาสมบัติคืออยู่ในเพศของนักบวชอยู่ในเพศของนักบวชประเภทส ม, มาธิฏินะมีข้อแม้อีกนักบวชประเภทส ม, มาธิฏิ อาจจะเป็นฤาษีอาจจะเป็นดาวปรอาจจะเป็นปริพาชกอะไรก็ได้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องบทพระเราเพราจริงพระก็ไม่มีนะยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติจนได้รับผลในทาง จ, จิตใจจนถึงสมาธินะฮะจนถึงจนถึงฌานแล้วก็อาจจะถึงอภิญญาก็ได้นะคร คุณสมบัติก็เรียกมีคุณสมบัติคือได้รูปปัชานะรูปปานแล้วก็ได้ปัญญาฮนะปัญญาก็คือความรู้อย่างยิ่งยวดมันมันมันสามัญชนก็มีได้นะฮะสามัญชนก็มีได้ถ้าว่าคนเหล่านั้นปฏิบัติได้ระดับของสมาจิทีนี้บางทีสิ่งเหล่านี้มันมันเอ่อมันจะไปหนุนตรงอื่นนะฮะตรงศีลตรงอะไรเนี่ย พราว่าจิตท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยศีลศีลมันจะบริสุทธิ์ลึกลงไปในนั้นครับเขก็โยงกันไปเป็นแถวนะฮะหมายความว่าพอสมาธิเขาเพิ่มศีลก็เพิ่มเองเปัญญาเขาเพิ่มเองเขาเพิ่มตามไป ม, มันไม่ใช่เพิ่มเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าอะไรล่ะคือหมายความว่าเราในฐานะเป็นชาวพุทธเราก็โดยเสด็จได้นะ บนเส้นทางของพระโพธดิสัตว์บนเส้นทของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นะ น, นะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นบรุรุษรุษสตรีไม่ได้สําคัญอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ได้คิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเทตุสมัมปทาคือมาความพื้นฐานทางบารมี คือคนที่สามารถเข้าวัดความธรรมจาศีลได้นะก็มีพื้นฐานบารมีไม่เบาแ่่นะโดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันสภาพรถติดสภาพปัญหาต่างๆนะ่ยแลคนก็ยังมายังมาได้เนี่ยนะครับซึงมาเองยังมองแปลกวันเสาร์ก็อยู่ระดับเดิมวันอาทิตย์ก็ระดับเดิมวันอาทิตย์ก็สามสิบสี่สิบห้าสิบยงเนี้ยตั้งแต่หนึ่งเจ็ดมาวันเสาร์ก็อยู่ระดับเนี้ยนะระดับ ระดับตอนกรรมฐานก็มากหน่ยตอนประสู่ก็ลดลงหน่อยมันอาจจะไม่จเจริญหรือยังไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าว่าจริงๆมันก็จํานวนคนเนี่ยนะเพิ่มเอไม่ใช่จํานวนคนนี่ก็อยู่ระดับนี้นอกจากเทศการกระถิ่นคนลดลงไปหนะ่ะไปทอดกระถินทอดประปากกันหลังจากนั้นก็อยู่ระดับนี่ย แสดงแต่ว่าคนเปลี่ยนนะคนคนก็เปลี่ยนเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่มากก็เปลี่ยนคนคนเก่าก็หายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นแทนนะก็แสดงถึงพื้นฐานทางาบารมีแต่ทีนี้การการปฏิบัติที่มันจะเพิ่มขึ้นบนรรรปะชาสมัติตรงนี้เราก็คงจะไม่บวชนะแต่คุณจะเห็นว่า วัดพระชาในเปรเียวนบัตรนั้นเดียวไม่มีอะไรเลยนะมัน ไ, มได้อยู่ที่รูปแบบเปรเียวนบาตบวชเนี่ยเป็นภาษาบาลีแท้ๆเลยนะฮะปะวัจธาตุปะอุปสรรคอยู่ข้างหน้าวัจธาตุในการเว้นเป็นภาษาที่แปลกคือหมายความมาเอาเอาอุปสรรคมากับธาตุบรรชนกันเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาบาลีนะภาษาไทยไทยนี่ก็เก่งเนี่ย จ, จับมาเรียกว่าบวช อ่านว่าบวชแต่ว่าตัวตัวศัพท์เดิมเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีแปลเว้นบาปแต่นั้นเองเว้นบาปญาติโยมเท่าไหร่ก็เว้นได้แลเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรก็บวชใจแต่เราอย่าไปคิดบาปเราก็ไม่ทําบาปเราก็ไม่พูดสิ่งเป็นบาปมันก็เป็นบวชแล้วนะบวชแล้วที่จริงก็ดีกว่าบวชเป็นพระแล้วก็ไปคิดบาปพูดบาปทําบาปนะออาพระจริงมันใกล้นิพพานด้วยใกล้า น, านารกด้วยนะ ความาวาอา บ, บัตความผิดที่ชาวบ้านไม่ผิดเนี่ยพระเลยผิดพระเด้จะผิดได้เพราะงั้นจึงจึงไม่จาเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบเพราะเนื้อหาจริงๆไม่มีรูปแบบนะศาสนาพุทธนี่ไม่มีรูปแบบเลยมันมีตัวเนื้อหาแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราอาศัยรูปแบบเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องจุดเริ่มต้นเป็นฐานแต่นั้นเอง การบรลุมรคผลนก็ไม่มีรูปแบบนะมันก็อยู่ที่จิตซึ่งไม่มีกิเลสมันก็เป็นมรคผลแล้วนะจิติสามารถปฏิบัติพัฒนาไปจนละสังโยชน์ได้สามอย่างก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นว่าอะไรก็เป็นใครก็ได้นะเป็นใครก็ได้แต่ก็มีคนเคยตั้งคําถามนะว่าให้พระอธิบายว่านักบวชนอกศาสนานี่ก็เป็นพระหันได้เป็นพระโสดาบันได้นะ มาบอกอธิบายไม่ได้ทำไมอธิบายไม่ได้ก็เราต้องนึกนะว่าศาสนาเทวานิยมเนี่ยมันมีสักกายติถิมันมีพระเจ้าสูงสุดนะตัวเองเนี่ยฮมาจากพระเจ้าพระเจ้าสร้างไว้ภมยในตัวสักกายติถิเนี่ยเป็นนิวรณข้อแรกที่จะต้องตัดได้ทีนี้เมื่อท่านยังติดในพระเจ้าอยู่ท่านก็ตัดสักกายติถิไม่ได้เมื่อตัดสักกายติถิไม่ได้ก็เป็นพระโคผาบัตไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขของมัน เงื่อนไขที่องทำมามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาไหนแล้วถ้าท่านท่านตัดสักยัติทิฏฐิตัวนี้ได้นะตัดวิฏฐกิจชาได้จริงท่านก็เป็นได้ซึ่งก็มหมายความมาถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นเป็นศาสนานั้นนั้นแล้ ว, วก็เป็นเป็ น, ปนพุทธศาสนิกชนไปแล้วนะประการต่อไปนั้นคือได้พบพระพุท ธ, ธเจ้าอย่างนท่านสุเมศ ด, ดาบทนี่ยก็ได้พบกับ ปฏิบังกรอพระฏิบังกรพุทธเจ้านะฮะแต่ต้องได้รับการพยากรณ์ด้วยนะความรู้เจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยจะต้องบอกให้พระเจ้าเองก็บอกคนอื่นนะอย่างมระีอารนที่ว่าเนี่ยพระเจ้าก็บอกอาชิตภิกษุอาชิตภิกษุมัสรีอารนเนี่ยก็จึงบวชนะฮะบวชในศาสนาพุทเป็นลูกของของพระเจ้าชาติสตรูแล้วก็บวช ชืจิตต์พระเจ้าก็บอกองเนี้ยก็จะเป็นก็จะเป็นศาสดาในโอกาสต่อไปก็ไม่เรียกว่าศีอษะ น, นะฮะไม่ได้เรียกว่าสีรษะสีอษะมันเป็นคษษษษําสัานสกฤตศีอษะเป็นคษษษําสันสกฤตที่เราคงได้ตํานานจากสันสกฤตเข้าใจว่าได้มันจากก็มาณเลยกเรียกว่าอริยะเมตโย อารยะเมตโยเรเมตย ะ, ตรยะเราก็มาเรียกรวมๆเป็นสีอารยะเมตไถ่ที่จริงไม่ถูกกันนะแต่สีอาระยะมันต้องอาระยะเมตไถ่เมตไถ่มันต้องอาระยะไม่ใช่า อ, อาระยะเ อ, อ่อแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือคุณธรรมสองข้อเราจะเห็นว่าคนทําความดีเนี่ยต้องพอใจในความดี ถ้าไม่พอใจในความดีไม่พอใจในตัวความดีไม่พอใจในการกระทําความดีไม่พอใจในผลที่จะเกิดขึ้นจากความดีแล้วเนี่ยมันไม่มีแรงดันเลยมันทําไม่ได้ฮะเราต้องเห็นผลเหล่านั้นเราต้องพอใจในตัวความดีเหล่านั้นเราต้องพอใจในการกระทําแล้วเราต้องพอใจในตัวผลเพราะว่าทุกกรณีนี้ล่ะกรณีนะะเราจะเห็นว่าเป็นผล ทุกเราก็ต้องเกลียดทุกข์รังเกียจทุกข์ต้องการเจนอีทุกข์นะเลยเกิดความพอใจที่จะใช้ความพยายามไปดับที่ทุกข์นน่โรธเหมือนกันนะฮะหมายความเราก็ต้องพอใจตัวนิโรธนิโรธมันเป็นผลแต่ว่าที่จริงมันก็ผ่านกันต่อว่าเราต้องพอใจในตัวนิโรธพอใจในข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธแล้วก็พอใจในตัวผลก็คือตัวนิโรธเองเมื่อเกิดเป็นพลังเขาเรียกว่า เป็นฉันตาสมบัติคือมีความพอใจในสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าอย่างเอาจริงเอาจังคือก็ไม่รู้อุปสรรคอันตรายอย่างไงก็ตามท่านก็พร้อมจึงมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอธิการสมบัติตายเป็นตายนะฮะแบบว่าตายเป็นตายเราจะเห็นว่าภูฏาย่าไปถึงจุดหนึ่ง่ท่านตายเป็นตายตุ่ยเตียก่อนจะแต่รู้ก็ ต, ต, กาตายเป็นตายอีกอ่ะเพราะท่านจะเอาให้ได้ละตายเป็นตายเลยมีมีสองอย่างนั้นเอง ไม่ได้ก็ตายเท่านั้นเวลาท่านจะเอาเด็ดขาดของท่านเนี่ยท่านจะมีอยู่สองทางเท่านั้นเองคือไม่ได้ก็ตายเท่านั้นทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตเลยะทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตเสี่ยงเดิมพันด้วยชีวิตทั้งหมดเป็นเป็นเป็นเรื่องดีที่น่าคิดนะฮะวลลววรลักษณะของท่านเนี่ยเวลาท่านจะเอาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นอะไรก็ตามมีตายกับสําเร็จเท่า น, นั้นเองสองเรื่องนะ ถ้าไม่สาเร็จก็ตายกระทำนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าเป็นอาธิการสมบัติคือมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วบนเส้นทางของความเปลี่ยนพยายามแต่บางครั้งต้องเสียสละอะไรตัวมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะฮะสละอวัยวะสละดวงตาสละบุตรสละพัญญาสละทรัพย์สริงคารสละอิสราภาพอะไรต่ออะไรหมดเลยสละได้ทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในแนวเนี้ยความเสียสละของคนเราบางทีเราก็ทำไม่ได้นะฮะไมได้ก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรวนู้นงทีติดไอ้สิ่งที่เราติดอยู่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่อย่างการงานเนี่ยฮะเราลองสังเกตว่าการงานเนี่ยไม่มีใครทำงานเสร็จแล้วตายนะะในโลกนี้ไม่มีเลยพอเสร็จแล้วตายแล้ว ไม่มีฮะงานค้างอยู่เยอะเลยอย่างพระบาวงตายเนี่ยเอาตําแหน่งไปแจกเพื่อนได้ังเจ็ดแปดรูปนะกันเป็นไว้ตั้งเยอะแยะไปมาเลยก็แสดงว่าไม่มีใครทํางานเสร็จสักคนหนึ่งที่ตายไปอย่างในโบราณวันก่อนเนี่ยก็ออกโทรทัศน์ไปบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยท่านท่านวันวันพระเขาเรียกวันวันโกนวันพระเนี่ยแต่เมื่อก่อนก็วันอามาเกิดทันวันพระนะฮะ วันพระนี้หยุดใช้แรงงานสัตว์แล้วก็ตัวเองก็หยุดงานแล้วเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอ่ะก็ไปสนทนาธรรมอ่านหนังสือธรรมะกันฟังอะไรก็อยู่เป็นสังคมที่ที่สงบมาความว่าเดือนหนึ่งสี่ครั้งเนี่ยเราได้หยุดดูตัวเองและทดลองประพฤติปฏิบัติธรรมะด้วยตัวเองเรานึกดูอิสลามก็ทำละหมาดวันละห้5ครั้งอย่างน้อยก็ยีนาที 5ครั้งนี่นี่อย่างน้อยว่าเวลาเขาให้กับศาสนายี่สิบห้านาทีของเราเวลาเนี่ยไม่เอาวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นเลยแล้วทำยังไงอะวาไอ้มันเกิดพร้อมที่จะเสียสละว่าเอาละกอบโกยอะไรไปก็เถอก็อย่าง น, นั้นแหละมันก็ปุถุธรรมก็เอาอะไรไปไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครเสร็จงานเพราะงั้นแนเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ที่มันเดินไปได้ในระดับหนึ่งทุกทุกคนเป็นเส้นทางที่จะสร้างความสําเร็จไม่ไดเจาะจงเราไม่เอาระดับเข้มข้นขนาดนั้นไม่เอาระดับสมบูรณ์แต่ระดับที่จะเดินไปบนเส้นทางของชาวพุทธที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงวิสาขาบูชาด้วยแล้วก็เพื่อจะ ปฏิบัติพัฒนาตนให้สัมผัสผลถุงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสมบัวนันี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุท่านผูนฟังทั้งหลายโดยตรกันทุกท่านคือ